วันนี้เป็นวันอังคารที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2557เป็นวันวิสาขบูชาวันที่พวกเราทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดาพระอาหลานตะสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระสูตรวันที่ทรงตัดสรู้และวันที่เสด็จดับขันธ์ปรริยนิพพานคือเป็นวันเกิด วันรับปริญญาและวันตายนี่เป็นวันที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนหกการเกิดของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่ยากมากนานๆจะมีบุคคลที่ มีบารมีพร้อมที่จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าการเกิดของพระพุทธเจ้าจึงเป็นบุญเป็นวาสนาแก่สัตว์โลกที่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระธรรมคำสอนหรือได้พบกับพระอาหารหันตาสาวก เพราะไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆเวลาที่จะเกิดของพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์นี้ก็ห่างกันเป็นกับระยะเวลากับนี้เราไม่สามารถที่จะเขียนด้วยตัวเลขได้เพราะมันยาวมากมีวิธีที่จะให้เราได้เปรียบเทียบถึง ความยาวของเวลาหนึ่งกับว่าทุกร้อยปีถ้าเราเอาผ้ามาลูบเขาผาสุเมนหนึ่งครั้งทุกๆุกร้อยปีเรามาทําอย่างนี้หนึ่งครั้งเราต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาผ้สุเมนจะลาบหายไปกลายเป็นเลียบเท่ากับพื้นดินนั่นคือระยะเวลาของหนึ่งกับ ดังนั้นถ้าเราเปรียบเทียบระยะเวลาของชีวิตพวกเรากับ1กับนี้ก็อาจจะเหมือนกับชั่วแค่ฟ้าแลบเราเกิดน้ำมีอายุแปดสิบเก้าสิบร้อยปีนี้ถ้าเปรียบเทียบกับระยะเวลาของกับนี้ถ้ากับเป็นเวลาหนึ่งวันเวลาของพวกเรานี้ก็เป็นเพียงแค่ชั่วฟ้าแลบเท่านั้นเองดังนั้นเวลา ที่จะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดในแต่ละครั้งจึงเป็นเวลาที่ห่างไกลกันมากและการมาเกิดของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นคนเดียวเท่านั้นที่พบทางออกจากวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครรู้จักทาง ออกจากวัตฏะของการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยนี่คือความประเสริฐความยิ่งใหญ่ความเลิศโลกของพระพุทธเจ้าผู้ใดได้พบกับพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้มีโอกาสได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันจบสิ้นอันนี้ คือเรื่องของการประสูติประสูติแล้วก็ทรงออกบวชบวชแล้วก็ทรงบำเพ็ญจนในที่สุดก็ได้พบกับทางที่จะพาให้จิตใจได้ออกจากวัตตะสงสารวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดตอนที่ทรงพบนั้น ก็เรียกว่าสงตัดสรู้ตัดสรูทางที่จะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางที่ทําให้พระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือพระอริยสัจสี่พระอริยรรสัจสี่นี้คือความจริงสี่ประการคือทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์ การดับของทุกข์และทางที่นําไปสู่การดับของทุกข์ถ้าผู้ใดได้พบกับพระอริยสัจสี่ผู้นั้นก็จะสามารถบําเพ็ญดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้พอความทุกข์หมดไปจากจิตจากใจก็เรียกว่าได้บรรลุ ถึงพระนิพพานคือไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจในใจนี้มีแต่ปรมังสุขขังคือมีความสุขตลอดเวลาเป็นความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เสื่อมไม่ลดไ ม, ไม่หายไปไม่เหมือนกับความสุขที่พวกเราสแสวงหากันอยู่และได้สัมผัสกันอยู่ เป็นความสุขชั่วฟ้าแลบความสุขเดียวเดียวแล้วก็หายไปทำให้เราต้องวิ่งหาความสุขอยู่เรื่อยเืเพราะเป็นความสุขที่เราไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้กับเราได้แต่ความสุขของพระนิพพานนี้เป็นความสุขที่จะอยู่ติดกับเราอยู่ติดกับใจของเราไปตลอด นั่นคือความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับในวันเพ็ญเดือนหกตอนที่ทรงประทับอยู่ใต้โคนต้นโพตอนที่ได้ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งบำเพ็ญจิตตะภาวนาเพื่อให้ได้พบกับความสุขอันนี้เพื่อให้ได้พบกับความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ และหลังจากที่ได้ส่งเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาคือการพิจารณาแยกแยะธรรมะที่พระองค์ส่งสัมผัสรับรู้เกี่ยวข้องด้วยพระองค์ก็เลยได้เห็นอริย ส, สัจสีเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจของพระองค์เห็นต้นเหตุของความทุกข์ คือความอยากต่างๆที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจเห็นการดับของความทุกข์ด้วยการเจริญมัคคือเครื่องมือที่จะถอดถอนความอยากต่างๆให้ออกจากใจพอมัคได้ถอดถอนความอยากออกจากใจได้หมดความทุกข์ก็ไม่มี เหลืออยู่ในใจความอยากนี้ถ้าเปรียบก็เหมือนกับเสี้ยนน้ำที่ตามอยู่ในร่างกายถ้าเราถอนเสี้ยนน้ำออกจากร่างกายได้ความเจ็บปวดที่เกิดจากเสี้ยนน้ำนั้นก็จะหายไปเครื่องมือที่จะถอดถอนความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ ก็คือมรรคที่มีองค์แปดหรือที่ทรงย่อส่วนลงมาเป็นสองลักษณะสำหรับผู้ที่ครองเรือนก็เป็นทานศีลภาวนาสำหรับผู้ที่ออกบวชแล้วไม่ได้ครองเรือนแล้วไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเหลืออยู่แล้วก็ทรงสอน ให้เจริญศีลสมาธิปัญญาคือไม่ต้องเจริญทานเพราะทานนี้ได้ทำไปแล้วมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองได้บริจาคสละหมดไปแล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องสอนทานแก่นักบวชแต่สำหรับกรวาดย่าโยมผู้ที่ยังคลองเรือนอยู่ยังมี พันธะมีความผูกพันกับเรื่องของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็สงสอนให้สละทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปให้หมดเพราะมันเปรียบเป็นเหมือนสมอเรือถ้าเรือต้องการที่จะไหลวิ่งไปในน้ำได้เรือจำเป็นจะต้องถอนสมอเรือ ถ้าไม่ถอนสมอเรือเรือก็ไม่สามารถที่จะวิ่งไปไหนมาไหนได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันจิตของผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็จำเป็นที่จะต้องถอนสมอเรือของจิตก็คือถอนความผูกพันเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะไม่ได้ เป็นสิ่งที่จะสนับสนุนในการทําให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์แต่จะเป็นตัวถ่วงหรือตัวดึงจิตให้ติดอยู่กับความทุกข์มักก็คือศีลก็คือการควบคุมกายวาจาให้อยู่ในสภาพปกติคือไม่มีการกระทําที่จะทําให้เกิด ความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นแล้วความเดือดร้อนนั้นจะกลับมาหาผู้กระทาถ้าไม่ถ้ารักษาศีลได้ก็จะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปแล้วก็ให้บำเพ็ญภาวนาจิตตะภาวนาสมถะวิปัสสนาภาวนาเป็นสองขั้นด้วยกัน ท่านแรกต้องทําใจให้สงบให้นิ่งก่อนเหมือนกับน้ําถ้าน้ําไม่นิ่งน้ําจะขุ่นจะมองไม่เห็นอะไรในน้ําจิตก็เช่นเดียวกันถ้าจิตไม่สงบจิตไม่นิ่งจิตจะไม่เห็นอริยสัจสี่ที่อยู่ภายในจิตเองดังนั้นผู้ที่จะตลอดวิปัสสนาเพื่อให้เห็น อริยสัจสี่ก็ต้องทําจิตให้สงบเวลาจิตสงบแล้วนี้จิตจะใสเวลาเกิดทุกข์ขึ้นมาก็จะเห็นเลยเห็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากของตัวเองแล้วถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็จะใช้ปัญญาคือดูความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ จิตไปเกิดความอยากด้วยเช่นอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลตภพพะก็ต้องดูสิ่งที่อยากได้นั้นว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแนะ่รูปเสียงกลิ่นรสผลตภพพะที่จิตอยากจะเสพอยากจะสัมผัสนี้มันเป็นสุขแต่มั น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นเพียงสุขชั่ว ก็เดียวกระดาแล้วมันก็จะหายไปพอมันหายไปมันก็เหลืออยู่ทิ้งให้เหลืออยู่กับความทุกข์ความเปล่าเปลี่ยวเดียวดายก็จะเกิดความอยากขึ้นมาเพื่อที่จะได้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะมาเสพเสพเท่าไหร่ก็จะต้องเจอในรูปแบบเดียวกัน เ็เป็นความสุขชั่วคราวเวลาความสุขนั้นจางหายไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแทนที่นี่คือการทำงานของมรรคคือปัญญาพิจาณาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเห็นว่าสิ่งต่างๆที่จิตอยากได้อยากมีอยากเสพอยากสัมผัสนั้นเป็นของชั่วคราว เป็นของที่จะต้องมีความทุกข์ตามมาต่อไปหลังจากที่ได้เสพได้สัมผัสและได้สูญเสียสิ่งนั้นไปถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์เพราะความไม่ถาวรก็จะไม่อยากจะได้ก็คือจะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ จิตก็จะกลับเข้าสู่ความสมงบพอเข้าสู่ความสงบจิตก็จะได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่จะได้จากการทำอะไรต่างๆต่างความอยากอันนี้ก็เป็นเรื่องของมัจที่เรียกว่าปัญญาปัญญาก็คือต้องพิจารณาให้เห็นทุกสมุธย เ้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่จิตหลงคิดว่าเป็นสุขคิดว่าจะเป็นความสุขที่ถาวรแต่ถ้าพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องหมดไปแล้วก็จะมีความทุกข์กลับคืนมาใหม่ คือความหิวความอยากเวลาเกิดความอยากแล้วก็จะเป็นเหมือนกับคนที่ไม่ได้รับประทานอาหาร응เวลาไม่รับประทานอาหารนี่เวลาหิวนี่เป็นความสุขหรือเป็นความทุกข응์เวลาอิ่มแล้วเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ใจ ก, ก็เหมือนกับร่างกาย ถ้ามีความอยากก็เป็นเหมือนกับว่ามีความหิวถ้ามีความหิวก็มันไม่มีความสุขอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปทําตามความอยากอยากดูก็ต้องไปดูอยากฟังก็ต้องไปฟังอยากดื่มอยากรับประทานก็ต้องไปดื่มไปรับประทานพอไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานก็จะ มีความหงุดหงิดมีความลำคานใจมีความไม่สบายอกไม่สบายใจถ้าอดมากๆก็จะถึงกับเกิดอาการเครียดถึงเกือบจะรู้สึกจะเป็นบ้าได้เพราะความทรมานใจจากการที่ไม่ได้ทำตามความอยากแต่ถ้า ได้มีการทำใจให้สงบมาก่อนทำใจให้เป็นสมาธิเวลาใจสงบใจเป็นสมาธิเวลานั้นความอยากจามหายไปชั่วคราวแล้วความอิ่มก็จะปรากฏขึ้นมาก็จะทำให้เข้าใจว่าเวลาไม่มีความอยากนี้มันดีกว่าเวลามีความอยาก เวลาไม่มีความอยากแล้ว จ, จิตเย็นสบายจิตอิ่มจิตไม่หิวไม่ต้องการอะไรเพียงแต่ว่าความอิ่มความสบายของสมาธินี้เป็นของชั่วกราวชั่วในขณะที่อยู่ในสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาแล้วพอมาเห็นสิ่งต่างๆหรือคิดถึงสิ่งต่างๆ ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากความอิ่มที่ได้จากความสงบก็จะหายไปความหิวความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นทําให้อยู่เฉยๆไม่ได้ทําให้ต้องไปทําตามความอยากแต่ถ้าได้พิจารณาว่าทําตามความอยากเท่าไหร่ก็จะ ไม่มีวันที่จะได้พบความสุขที่ถาวรที่แท้จริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตต้องการให้ความสุขกับตนนั้นเป็นความสุขชั่วคราวทั้งนั้นถ้าฝืนไม่ทําตามความอยากถ้าระงับความอยากได้พอความอยากหายไปเช่นกลับเข้าไปในสมาธิได้ก็จะได้ กลับเข้าสู่ความสุขที่ไม่มีความอยากพอเห็นอย่างนี้ก็จะฝืนความอยากเพราะทำตามความอยากก็เท่ากับการเดินเข้าหาความทุกข์ถ้าฝืนความอยากก็เป็นการเข้าหาความสุขความสุขที่เกิดจากความสงบของใจอันนี้เป็นเรื่องของการพิจารณาด้วยปัญญา พอเห็นแล้วว่าการทำตามความอยากเป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุ um. ขการฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากเป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงก็จะไม่ทำตามความอยากพอไม่ทำตามความอยากได้แล้วความอยากหมดกำลังหยุดพอไม่มีความอยากแล้ว ความสุขก็จะมีอยู่ภายในใจความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญในการดับความทุกข์ทั้งหลายด้วยการละความอยากเพราะความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจนี่คือ เรื่องที่พระองค์ไม่ทรงรู้มาก่อนเมื่อก่อนนี้ไม่รู้ว่าความอยากของพระองค์เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่หลังจากที่ได้เจเริญสัมมาภาพวนาจนจิตสงบแล้วเวลาจิตสงบก็มีความสุขมีความสบายพอออกจากความสงบ แล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาก็เห็นความสุขความสบายนั้นหายไปเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมาก็เลยจับประเด็นได้ว่าความสุขความทุกข์นี้เกิดจากความอยากหรือไม่ไม่อยากนี่เองเวลาไม่มีความอยากใจสงบเย็นสบายพอเวลามีความอยากแล้วใจวุ่นวายทีนี้จะสอนใจไม่ให้อยากได้อย่างไร ก็ต้งสอนให้เห็นว่าสิ่งที่ใจคิดว่าจะให้ความสุขกับใจนี้มันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วมันก็หายไปเวลาหายไปก็เกิดความอยากเกิดความทุกข์ใหม่ตามขึ้นมาอย่างนั้นพอเห็นอย่างนี้แล้วก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ใจก็จะ หมดความทุกข์พอไม่มีความทุกข์ก็จะมีแต่ความสุขอยู่ภายในใจนี่คือการตัดสุการบรรลุถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดืนน 20, เอนหกเมษายนสามสิบหกปีอายุพรรษาอายุสามสิบหกปีหลังจากที่ได้ออกบวชหกปีด้วยกันก็ทรงได้พ้น ได้พบกับรางวัลของการปฏิบัติหรือได้รับปริญญาถ้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็ได้เรียนจบได้รับปริญญาได้รับรางวัลคือนิบบานังปารมังสุขขังความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ถาวร น, นับตั้งแต่วันนั้นไป ในใจของพระพุทธเจ้าไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยเพราะไม่มีความอยากอ ย, กอยู่เลยความอยากที่ไม่มีคืออะไรก็คือกามตัหาความอยากในกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะวิภวติหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยาก ก็อยากรวยอยากสวยอยากงามอยากดีอยากเด่นอะไรเหล่านี้เรียกว่าภาวะตัณหาไม่มีอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าเพราะรู้ว่าถ้ามีแล้วจะทําให้ใจไม่สบายขึ้นมาทันทีแล้วก็วิภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้ามีความอยากไม่มีอยากไม่เป็นขึ้นมาก็จะเกิดความ ไม่สบายใจขึ้นมาเช่นเดียวกันเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่สวยอยากไม่ดีไม่เด่นไม่งามไม่ร่าไม่รวยอยากไม่จนอยากไม่จนพอเกิดความอยากไม่จนขึ้นมากลัวความจนก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือเรื่องของของความอยากทั้งสามส่วนนี้ ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งชำระไปหมดแล้วนี้เวลาพูดถึงความอยากนี้ผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติก็จะไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจก็อาจจะคิดว่ารวมไปรวมไปถึงความอยากต่างๆชนิดอื่นเช่นความอยากทาบุญความอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะรักษาศีลความอยากเหล่านี้ก็ ไม่ใช่เป็นความอยากที่พระพุทธเจ้าได้ไดส่งละได้ส่งสอนให้ละความอยากเหล่านี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใจแต่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับใจเช่นการอยากทำทานการอยากรักษาศีลการอยากภาวนาเพราะว่าความอยากเหล่านี้เป็นการสร้างเครื่องมือไว้สำหรับมาทำลาย ความอยากที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจก็คือกามรตันหาภาวะตันหาและวิภวตันหาดัางนั้นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการทําทานรักษาศีลในเรื่องของการภาวนาขอให้อย่าวิตกกังวลว่าความอยากทําทานอยากรักษาศีลอยากภาวนานี้ จะเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจไม่ได้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจจะจะเป็นต้นเหตุของการทําลายความทุกข์ใจที่มีอยู่ในใจให้หมดไปนี่คือเรื่องของความบริสุทธิ์ใจของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงบําเพ็ญสมถ ภ, ภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจนชําระ เลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆให้หมดไปจากใจใจของพระพุทธเจ้าก็เลยสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมานี่เรียกว่าเป็นพระนิพพานคำว่านิพพานนี้คือนิพพานที่ใจไม่ได้นิพพานที่ร่างกายร่างกายนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ยังมีอาการสามสิบสองยังแก่เจ็บตายอยู่เหมือนเดิม ร่างกายนี้ไม่มีพิษมีภัยไม่มีกิเลสไม่มีตัณหากิเลสตัณหานี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่ได้อยู่ในขันกิเลสตัณหานี้อยู่ในใจใจขอร่างกายของพระพุทธเจ้าก่อนจะตัดสรลลกับหลังจากที่ตัดสรลลแล้วก็ไม่มีความแตกต่างกันไม่ได้เป็นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือใจใจที่มีความอยากทั้งสามกลายเป็นใจที่ปราศ จ, จากความอยากทั้งสามนี้เท่านั้นการนิพพานนี้จงมีสองลักษณะคือนิพพานในขณะที่มีร่างกายอยู่และนิพพานในตอนที่ร่างกายตายไปแล้วเช่นหลังจาก ที่ได้ทรงตัดสรุปแล้วนั้นใจของพระพุทธเจ้าก็ไปถึงนิพพานแล้วแต่ยังมีร่างกายอยู่ท่านเลยใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือไว้สั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติได้แต่พอถึงอายุแปดสิบพรรษาร่างกายของพระองค์ก็หมดสภาพลายไป ใจของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นนิพพานอยู่เหมือนเดิมนิพพานแบบนี้เขาก็เรียกว่านิพพานที่ไม่มีร่างกายคือใจไม่ได้เปลี่ยนไปหลังจากที่บอิสุทแล้วก็จะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็เท่ากันตอนที่ตัดสรุลใหม่ๆใจสะอาดบอิสุทกับตอนที่ร่างกายตายไปตอนอายุแปดสิบปีอันนี้ก็ เหมือนกันใจบริสุทธิ์เหมือนกันส่วนร่างกายนี้กไ็ได้รับอิทธิพลจากใจที่สะอาดบริสุทธิ์คือใจสะอาดบริสุทธิ์นี้ก็จะฟอกร่างกายให้สะอาดตามไปด้วยเช่นกระดูกของพระพุทธเจ้าก็จะกลายเป็นพระาธาตุไปแต่กระดูกของบุตุชนอย่างพวกเรานี้ไม่ได้กลายเป็นพระาธาตุหลังจากที่ตายไปแล้ว เพระใจของพวกเราไม่สะอาดไม่สามารถซักพอกกระดูกให้ให้กลายเป็นพระธาตุไปได้นี่คือความแตกต่างระหว่างร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของพระอาหารหันต์กับร่างกายของปุถุชนร่างกายของพระพุทธเจ้ากับปุถุชกับพระอาหารหันต์นี้จะถูกใจที่สะอาดบริสุทธิ์สักพอก ให้กลายเป็นาธาตุไปแทนที่จะเป็นกระดูกก็กลายเป็นาธาตุไปนี่ก็คือวิธีหนึ่งที่เราจะรู้ว่าบุคคลที่ตายไปแล้วนั้นเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์ก็ดูที่กระดูกของท่านว่าหลังจากที่ตายไปแล้วกระดูกนั้นมีพระาธาตุเกิดขึ้นหรือไม่ แต่การที่ไม่มีพระาธาตุก็ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าท่านไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์เพราะว่าถ้าท่านเป็นพระอาหารหันต์คือจิตสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีเวลาอยู่นานคือต้องตายไปก่อนเช่นอาจจะบรรลุวันนี้แล้วพรุ่งนี้ตายไปอย่างนี้จิตที่สะอาดก็จะไม่มีเวลาฟอกาธาตุคือฟอก ร่างกายให้เป็นธาตุได้อย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้บรรลุถึงพระนิพพานจิตของท่านถึงพระนิพพานแนละ้วเพียงแต่ว่าเวลาที่จิตอยู่กับร่างกายนี้สั้นมากเหมือนกับเอาผ้าไปแช่ในน้าเพียงสองสามวินาทีก็เอาออกจากน้ำ สิ่งที่สกปรกที่ติดอยู่กับเสื้อผ้าก็ยังติดอยู่กับเสื้อผ้าต่อไปเพราะยังไม่มีเวลาแช่ผ้าไว้ให้ผงซับฟอกได้ทำหน้าที่แยกสิ่งที่สกปรกออกจากเสื้อผ้าฉันใดจิตของผู้ที่บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์แล้วแต่ต้องเสียชีวิตไปในในระยะเวลาอันใกล้ๆกันนั้นก็จะทาให้จิต ที่บอยสุดนั้นไม่มีเวลาที่จะเท็จะพอกร่างกายฟอกกระดูกให้กลายเป็นธาตุได้ดังนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลที่ตายไปแล้วแล้วกระดูกไม่ได้ตายเป็นพระธาตุนี้จะไม่ได้เป็นพระอาหารหันตการเป็นพระอาหารหนของท่านอยู่ที่ใจของท่านว่าท่านมีท่าน ชำระความโลภความโกรธความหลงไปหมดแล้วหรือยังท่านชำระตัณหาความอยากคือกามตา ะ, ะตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาหมดไปแล้วหรือยังเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่มียานดูจิตของท่านนี้จะไม่รู้แต่สาหรับพระพุทธเจ้านี้ท่านมียานท่านสามารถดูจิตของผู้อื่นได้ ดังนั้นท่านถึงสามารถพูดได้ว่าพระรูปนี้เป็นพระอาหารหันต์หรือไม่แต่ถ้าไม่มียามแล้วก็จะไม่สามารถดูได้อย่างชัดเจนนอกจากสนทนากันนี้ก็จะมีการที่จะรับรู้ได้ว่าท่านเป็นหรือไม่เป็นแต่ผู้ที่สนทนาก็ต้องเป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นถึงจะรู้ว่า บุคคลที่ตนสนทนาด้วยนั้นเป็นพระอารหันต์หรือไ ม, ไม่เพราะจะสามารถถามตอบเรื่องของสภาพจิตของพระอารหันต์ว่าเป็นอย่างไรสามารถถามวิธีการบําเพ็ญว่าทําอย่างไรถึงทําให้จิตนั้นสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาอันนี้ต้องเป็นพระอารหันต์กับพระอารหรันต์เท่านั้นท่านถึงจะรู้กันได้ วนปุตตชนอย่างพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนคนตาบอดหรือเป็นคนที่ดูเพชรไม่เป็นเวลาเราไปซื้อเพชร น, นี่ถ้าเราดูเพชรไม่เป็นเขาเอาเพชรปลอมมาขายเราเราก็จะไม่รู้เราก็จะถูกต้มตุนได้อย่างง่ายไดเวลาเราจะซื้อเพชรเราจึงต้องเลือกร้านที่เราเชื่อใจเชื่อถือได้มีการรับรองว่าเป็นเพชรจริง หรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องเอาคนที่ดูเพชรเป็นไปซื้อกับเราหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องศึกษาวิธีดูเพชรจริงว่าเป็นอย่างไร<ม>อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะดูว่าคนนั้นคนนี้เป็นพระอารหันต์หรือไม่เราก็ถ้าเราอยากจะรู้ด้วยตัวเราเองแล้วไม่มีคนอื่นดูให้เราเราก็ต้องปฏิบัติจนเรากลายเป็นพระอารหันต์ขึ้นมา เมื่อเรากลายเป็นพระอาหารหันแล้วทีนี้เราก็จะรู้คนที่เราคุยด้วยว่าเขาเป็นพระอาหารหันหรือไม่ถ้าไม่มีเราก็ต้องอาศัยคนตาดีอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันรูปอื่นที่ท่านมียานที่สามารถรู้ได้ว่าพระรูปนั้นรูปนี้ได้บรรลุแล้วหรือยังอย่างในสมัยปัจจุบันก็มีหลวงตาที่ท่านคอยไปสอบ ทดสอบถามคุยกับพระอาหารหันต์ทั้งหลายจนกระทั่งท่านก็สามารถออกมายืนยันให้กับพวกเราได้ทราบว่าองนั้นเป็นอย่างนั้นองนี้เป็นอย่างนี้แล้วอันนี้ก็คือการดูบุคคลที่ได้ปฏิบัติแล้วว่าเขาไปถึงไหนแล้วไปถึงพระนิพพานหรื อ, อยัง แต่เรื่องการดูคนอื่นนี้ก็ไม่สำคัญเท่ากับการดูตัวเราคนอื่นจะไปถึงนิพพานแล้วหรือยังมันก็ไม่ได้ทําให้เราไปถึงพระนิพพานกับเขาด้วยเราควรจะดูตัวเราดีกว่าว่าตอนนี้เราไปถึงพระนิพพานหรือยังถ้าเรายังไปไม่ถึงเราก็ควรจะรีบเดินทางต่อไปเพราะว่าเวลาของเรามันจะน้อยลงไปเรื่อย ไม่มีบริษัทประกันชีวิตจะมารับรองได้ว่าเราจะอยู่ถึงอายุเท่าไหร่บริษัทประกันชีวิตเขาเพียงประกันผลประโยชน์ที่เกิดจากการสูญเสียชีวิตของเราไปเท่านั้นเองแต่เขาไม่สามารถรับประกันชีวิตของเราได้ว่าเราจะอยู่ถึงอายุห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบหรือแปดสิบปีดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะประมา เราควรที่จะรีบปฏิบัติเพื่อทำให้จิตของเราได้สะอาดบริสุทธิ์ได้กลายเป็นพระอาหารหันต์ดีกว่าจะเสียเวลาไปสแสวงหาพระอาหารหันต์ตามวัดต่างๆตามสถานที่ต่างๆเพราะการไปพบไปสแสวงหาพระอาหารหันต์นี้สิ่งที่เราจะได้จากท่านก็เป็นเพียงคำแนะนำคำชี้บอก ให้เราปฏิบัติให้ถูกต้องเท่านั้นเองพอเราได้รับคาแนะนาแล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเราก็ควรจะมาปฏิบัติกันเพื่อที่จะได้ทำให้ใจของเราได้กลายเป็นพระอรหันต์กันเพราะว่าต่อให้ไปหาพระอรหันต์อีกร้อยรูปก็จะได้คำตอบคำสอนแบบเดียวกันเท่านั้น ท่านก็จะสอนให้เราไปทำทานรักษาศีลให้เราไปภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาอย่างนั้นถ้าเราได้พบกับคำสอนแล้วสิ่งที่เราควรที่จะ <c oughs> ทุ่มเทก็คือการปฏิบัติปฏิบัติไปแล้วถ้าเราเกิดความสงสัยไม่มั่นใจเวลานั้นก็กลับไปหาท่านได้ ไปสนทนาไปฟังเทศฟังธรรมต่อเพื่อเพิ่มพูนขยายความรู้ต่อไปเพราะการปฏิบัติในแต่ละขั้นก็มีความสลับซับซ้อนพอสมควรมีรายละเอียดต่างๆพอสมควรการได้ยินได้ฟังเพียงครั้งสองครั้งนี้ยังจะไม่ได้รับข้อมูลเต็มที่แต่ก็เป็นข้อมูลที่พอที่จะทำให้เราเริ่มปฏิบัติได้ แต่ถ้าเราไม่เริ่มปฏิบัติเลยนัมโมัแต่ไปหาครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้แล้วก็ไปฟังเทศฟังธรรมกับท่านแต่แล้วเราก็ไม่ได้กลับมาปฏิบัติพอถึงเวลาก็ไปหาครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้อีกทำอย่างนี้ไปมันก็จะไม่มีวันที่จะเจริญก้าวหน้าได้ไม่มีวันที่จะทําให้จิตสะอาดบริสุทธิ์ได้ ดังนั้นถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วว่าเราต้องทําทานเราต้องรักษาศีลเราต้องภาวนาเราก็ต้องเริ่มทํากันทําทานไปตามกําลังของเราทําได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีรักษาศีลตามกําลังของเรารักษาได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีภาวนาไปตามกําลังของเราภาวนาได้มากเท่าไหร่ย sí ิ่งดี อันนี้ก็คือสิ่งที่เราควรที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจมากกว่าการไปแสวงหาครูบาอาจารย์ตามสถานที่ต่างๆเพราะเราจะไม่ได้รับประโยชน์มากกว่าจากการไปหารูปใดรูปหนึ่งเพราะฟังจากร้อยรูปกับฟังจากรูปเดียวก็ฟังเรื่องเดียวกันดูแผนที่ร้อยแผ่นกับดูแผนที่แผ่นเดียว มันก็เหมือนกันเพรานั้นเราได้แผนที่มาแล้วเราก็ควรที่จะออกเดินทางกันอย่ามัวไปสะสมแผนที่ว่านี่ได้แผนที่จากองค์นี้ได้แผนที่จากองค์นั้นได้เต็มไปหมดหนังสือกรูบาอจานี่เต็มบ้านเลยเทปซีดีนี่เต็มบ้านเลยแต่ตัวปฏิบัตินี่ไม่มีเลยพอกลับมาบ้านก็เหมือนเดิม ไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นกันพอถึงวันสําคัญอย่างวันวิสาประบูชาก็เข้าวัดกันสักครั้งอันนี้มันก็จะไม่ไปไหนนะมันก็จะได้แค่นี้ถามว่าดีไหมก็ดีเพียงแต่ว่าดีไม่มากพอเราต้องการความดีมากกว่านี้ความดีจากการเข้าหาครูบาอาจารย์จากการศึกษานี้ก็เป็นความดี ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับการเข้าโรงเรียนชนั้นอนุบาลก่อนที่เราจะเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมได้เราก็ต้องเรียนชั้นอนุบาลก่อนแต่เราอยากเรียนอยู่แต่ชั้นอนุบาลไปจนวันตายเท่านั้นควรจะมีการขยับขึ้นชั้นไปตามลำดับจบอนุบาลแล้วก็ต้องขึ้นชั้นประถมจบชั้นประถมแล้วก็ต้องขึ้นชั้นมัธยม จากชั้นมัธยมก็ต้องเข้าระดับอุดมศึกษาตามลําดับเพื่อจะได้รับปริญญาตรีโทเอกต่อไปนั่นเองพวกเราก็เช่นกันทําทานรักษาศีลภาวนาในระดับหนึ่งแล้วเราก็ต้องเพิ่มขึ้นไปเคยทําร้อยละสิบก็เพิ่มเป็นร้อยละยี่สิบร้อยละยี่สิบก็เพิ่มเป็นร้อยละสามสิบทำให้มากขึ้นไปจนกว่าจะทําได้เต็มร้อย เพราะถ้ายัางทำไม่ได้เต็มร้อยก็จะไม่สามารถที่จะได้รับผลเต็มร้อยนั่นเองดังนั้นขอให้พวกเราจงมุ่งไปที่การปฏิบัติการปฏิบัตินี้หละเป็นการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเป็นการบูชาพระคุณตามที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้พวกเราบูชากัน เพราะว่าไม่มีอะไรที่พระองค์อยากจะให้ลนะให้พวกเราได้กันนอกจากการหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากกองทุกขนี้ได้นอกจากการปฏิบัติบูชาคือการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าคือทาทานรักษาศีลภาวนา จากน้อยไปหามากจากเล็กๆน้อยๆไปจนถึงขั้นเต็มที่เต็มร้อยถ้าเราได้ปฏิบัติทานศีลภาวนาเต็มร้อยแล้วรับรองได้ว่ามรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งก็จะปรากฏขึ้นมาเต็มร้อยเช่นเดียวกันเพราะว่าผลย่อมเกิดจากเหตุเท่านั้นผลไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นใดทั้งนั้นมรรคผลนิพพานจะเกิด ก็เกิดจากการบําเพ็ญทานศีลภาวนานี้เองทานศีลภาวนาเป็นเหตุทําให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาทําให้เกิดพระอริยบุคคลขั้นต่างๆขึ้นมาทําให้ปรากฏมีพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์ไม่ได้เกิดจากสิ่งอย่างอื่นทั้งหลาย ไม่ได้เกิดจากพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าไม่สามารถปั้นไม่สามารถเสกให้ใจของพวกเรากลายเป็นพระอาหารหันต์กันได้พวกเราต้องเป็นผู้เสกผู้ปั้นเองการปั้นการเสกของพวกเราก็คือการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั่นเองก็คือทานศีลภาวนาดังนั้นในวันสำคัญในวันนี้คือวันวิสาข บ, บูชา ก็ขอให้พวกเราจงตั้งกิตอธิษฐานว่าต่อไปนี้จะบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูบชาด้วยการน้อมเอาคําสอนที่ทรงสอนให้พวกเราทําทานให้รักษาศีลให้ภาวนานี้มาเป็นงานที่สําคัญของพวกเราขอให้เราพยายามลดงานต่างๆออกไป งานไหนที่ไม่จําเป็นงานไหนที่ตัดได้ขอให้ตัดออกไปให้หมดแล้วเราจะได้มาทํางานอันนี้งานที่จะเป็นการพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นงานที่จะทําให้เราได้บูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงปาณานาแล้วเราก็จะได้มีแต่ความสุขและความเจริญไปตลอดอย่างเช่นเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้าและพระอหรหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันการแสดงก็พอสมควรแก่เวลายังขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตถินังเปตานังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิฟ้าเมวะสมิจจตุสัพเพเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ ราสอยาถาสภีติโยวิวาจันโุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายยโภพวะอภิวาทนศีริสะนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรมมวทานติอายุวันโสุขาง เมื่อกี้พูดเรื่องนิพพานนี้ก็อยากจะขยายความว่ามีนิพพานสองสองลักษณะเรียกว่านิพพานเป็นกับนิพพานตายนิพพานเป็นก็คือเป็นนิพพานตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ อย่างตอนที่พระพุทธเจ้าทรงนั่งอยู่ใต้โคนต้นโพแล้วได้ตัดสรุตอนนั้นก็เป็นนิพพานเป็นคื อ, อยังไม่ได้ตายคนบางคนคิดว่านิพพานนี้จะต้องเกิดหลังจากที่ตายไปแล้วความจริงนิพพานนี้ต้องเกิดตั้งแต่ตอนที่เป็นเพราะว่าเราต้องปฏิบัติกันถ้าเราไม่ถ้าเราตายเราก็ปฏิบัติไม่ได้ ถ้าปฏิบัติไม่ได้นิพพานก็เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นนิพพานที่แท้จริงต้องเป็นนิพพานเป็นคือเป็นนิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เรากราบไหว้บูชากันนี้ท่านก็เป็นนิพพานตั้งแต่ท่านยังไม่ตายกันทั้งนั้นหลวงตาท่านก็มีวันของท่านที่ตรงกับอะไนเดือนพฤษภาใช่ไหมอ่าเก้าสิบห้าใช่ สิห้าพฤษภาห้าทุม่มวันที่เท่าไหรษษษ่สิบ้าพฤษภาพศเท่าไหร่ส <5, 5. S 1> องสี่เก้าสามนั่นแหละก็ในคว น, นิพพานเป็นต้องเป็นนิพพานเป็นก่อนทั้งนนถึงจะค่อยมานิพพานตายนิพพานตายก็คือตอนที่ตายทีนี้คําว่าตายนี่เราไม่เข้าอบใช้กับกับใครเท่าไหร่ แม้แต่พระเจ้าแผ่นดินเราก็ไม่ใช้คําว่าตายเวลาพระเจ้าแผ่นดินตายก็ว่าเสด็จสวรรคตเวลาพระธรรมดาตายก็เรียกว่ามรณะมรณาภาพเวลาพระอาหารหันต์ตายท่านก็เรียกว่านิพพานเห็นถ้าคนไม่ได้ศึกษาก็อาจจะงงว่าเอ็นิพพานนี้เป็นตอนตายกันหรื อ, อยังไงความจริงนิพพานนี้เป็นตอนเป็น เป็นตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติข<ช>ั้นสูงสุดก็คือขั้นวิปัสสนาก่อนจะถึงขั้นวิปัสสนาได้ก็ต้องผ่านขั้นสมถะก่อนก่อนจะเข้าสู่ขั้นสมถะได้ก็ต้องผ่านขั้นศีลก่อ น, นก่อ น, นจะเข้าสู่ขั้นศีลได้ก็ต้องผ่านผ่านขั้นทานก่อนการปฏิบัติทางนี้เป็นขั้นบันไดนะ เป็นขั้นบันไดเหมือนกับการเรียนหนังสือต้องผ่านขั้นต่ําขึ้นไปสู่ขั้นสูงจะกระโดดจากขั้นทานไปสู่วิปัสสนาเลยนี้เป็นไปไม่ได้ยกเว้นกรณีที่เคยได้เรียนมาแล้วเคยผ่านมาแล้วในชาติก่อนบางคนไม่ทันไม่ได้บวชก็บรรลุได้เลยเพียงแต่ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า พอฟังแล้วก็เข้าถึงขั้นวิปัสสนาได้เลยแสดงว่าเขามีเขาผ่านสมถะมาแล้วเขาผ่านศีลเขาผ่านทานมาแล้วคือใจเขาไม่มีความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เดือดร้อนศีลเขาก็ไม่เคยทําทําร้ายใครไม่เคยฆ่าไม่เคยลักทรัพย์ไม่เคยประพฤติผิดต่วณีต่างๆเขาก็ มีศีลอยู่ในตัวสมาธิจิตของเขาก็สงบอยู่เป็นเป็นพื้นพื้นฐานของเขาถึงแม้ว่าเขาไม่ได้นั่งสมาธิเขาก็มีสมาธิอยู่แล้วพอเขาได้ยินวิปัสสนาได้ยินทางปัญญาเขาก็เข้าใจทันทีเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้ทาทรงสอนนั้นอยู่ในใจเขาเองเพียงแต่ว่าเขาไม่สังเกตดูเองก็คืออริยรรสัจสี พระพุทธเจ้าสอนว่าเนี่ยทุกของคุณเกิดจากความอยากของคุณเองถ้าคุณไม่อยากจะทุกคุณก็อยากกิอยากเกิดความอยากเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินอย่าไปเห็นแล้วเกิดความอยากเหมือนพวกเราเห็นกันเห็นกระเป๋าก็อยากได้เห็นเสื้อผ้าก็อยากได้เห็นเงินเห็นทองก็อยากได้กันเนี่ยนี่เรายังไม่สักแต่ว่าเห็นกัน เราไม่เข้าใจว่าการสักแต่ว่าเห็นนี่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจของเราเพราะมันทำให้ใจเราสบายแต่พอเห็นแล้วอยากนี่ใจเราดิ้นนะกระวนกระวายกะสับกระส่ยอยากได้อะไรก็ใช่ไมบางทีอยากมากๆถึงก็ต้องไปบูนบานสารกล่าวต่างๆเพราะกลัวจะไม่ได้วเวลาไม่ได้แล้วทุกข์เนี่ยไม่ใช่เลยรเวลาอยากก็ทุกข์แล้ว อันนี้ไม่เห็นเพราะเราไม่ดูใจเราเราเป็นดูของที่เราอยากได้เท่านั้นเองแต่คนที่มีสมาธิแล้วเขาจะไม่มองข้างนอกเขาจะมองข้างในเพราะการมีสมาธิก็คือการดึงใจเข้าข้างในนั่นเองคนที่จะมีสมิตมีสมาธิได้ใจต้องเข้าข้างในพอใจเข้าเข้าข้างในก็จะเห็นใจเห็นอาการต่างๆของใจว่าเอาตอนนี้เป็นยังไงสงบหรือฟุ้งซ่าน วุ่นวายหรืออะไรก็จะเห็นเห็นเพียงแต่ว่ายังยังอาจจะไม่รู้จักวิธีที่จะแก้เหมือนจนกว่าจะมีคนที่แก้เป็นแล้วคือพระพุทธเจ้าเพราะว่าวิธีจะแก้ความอยากก็คือต้องมองเห็นโทษของสิ่งที่เราอยากพราสิ่งที่เราได้มามันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณได้แฟนมามันเป็น ท, ทุกข์มากกว่าเป็นสุขเข้าใจไหมพอได้แฟนมาก็ต้องหวงแฟนหวงแฟน แล้วเรามาวิตกกังวลกับแฟนเวลาอยู่คนเดียวมันไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความหวงความหวงมันมีมีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความเหงาความว้าเหว่่นี่เราจะแยกเอาจากความเหงาความว้าเหว่กับความทุกข์กับการต้องไปหวงไปห่วงไปกังวลกับเขาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาชั่งน้ําหนักดูแต่ถ้าใจของเรามีความสงบแล้วมันจะไม่เหงามันจะไม่ว้าเหว่ มันมันก็จะไม่เดือดร้อนเรื่องของการจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนแต่ถ้ามันเกิดอารมณ์ขึ้นมาอยากเราก็สามารถใช้ปัญญาชั่งน้ําหนักได้ว่าอันไหนจะดีกว่ากันอยู่คนเดียวดีกว่าหรืออยู่กับแฟนดีกว่าพอชั่งน้ําหนักดูแล้วก็บอกว่า อ, อยู่คนเดียวดีกว่าเวลาเหงาก็เข้าสมาธิไปเดี๋ยวมันก็หายเหงาแล้วแต่เวลามีแฟนนี่ต้องกังวลต้องวุ่นวายกับแฟนไปตลอดจนถึงวันที่ต้องแยกจากกัน ถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะนี่เรียกว่าวิปัสสนาจะพิจารณาอย่างนี้ได้ก็ต้องมีสมถะมีความสงบมีสมาธิเพราะจะเห็นความแตกต่างของใจที่ไม่อยากกับอยากเวลาอยากแล้วมันหนักเวลาไม่อยากแล้วมันเบามันสบายก็จะรู้ว่าจะต้องไปทางไหนก็ต้องไปทางไม่อยากเพราะทางไม่อยากมันดีกว่าทางอยากแต่ถ้าใจไม่มีความสงบจะมองไม่เห็น ใจยมัวแต่ไปเห็นตามความหลวงว่าไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีล้วก็อยากจะได้ถึงแม้ใจนี้จะจะวุ่นวายจะทุรนทุรายอย่างไรก็ไม่ยอมต้องเอามาให้ได้ออนั่นแะมองไม่เห็นความทุกข์ในใจพรมัวแต่ไปมองสิ่งที่อยากได้ว่าเป็นความสุขก็เลยจ่ออยู่ตรงกับสิ่งที่อยากได้อยากได้อะไรก็ต้องตามหาสิ่งนั้นเอาให้ได้ ทั้งทงที่ใจนี่วุ่นวายแทบเป็นแทบตายก็ไม่สนใจมองไม่เห็นถ้าไม่ได้ก็ต้องไปบนบานไปขอที่พึ่งจากหมอดูบ้างจากอาจารย์องนั้นองนี้บ้างเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้อาจารย์ก็ไม่รู้หนอยเนี่ยขอก็เอาขอให้ได้ก็เอาก็ให้พรไป บางคนอยากจะเป็นนายพลก็มาขออยากจะเป็นนายพันก็นขอไอเราเองตัวเราเองยังเป็นไม่ได้เราแต่เขาไม่มีที่พึ่งอ่ะพอพอเขา ไ, ได้ทราบข่าวว่าโอ้ไปหาจาังตรงนี้เราจะได้นะเขาก็ไปแล้วอ่ะแทนที่จะมาแก้ความอยากหยุดหยุดความอยากเขาเขาจะมีความสุขเขาก็มาแก่ เขาคิดว่าเขาจะมีความอยากอยากได้การเป็นนายพันเป็นนายพลขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้แหละพอเป็นแล้วก็เดี๋ยวก็อยากได้มากขึ้นไปอีกแหลอนั้นมันไม่มีวันพอหรอกถ้าทําตามความอยากนี่คือปัญญาให้มองเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เห็นโทษของความอยากเห็นโทษสิ่งที่เราได้มามันเป็นทุกข์ทั้งนั้นความอยากก็เป็นทุกข์สิ่งที่ได้มาก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอน มันมีวันหมดได้ลวห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้นี่คือเรื่องของนิพพานครถ้าไม่มีความอยากรัสบายใจสบายแต่ร่างกายหรืออะไรต่างๆอาจจะไม่มีอย่างพระพุทธเจ้าพระครูบาาจารย์ทั้งหลายท่านไม่มีอะไรหรอกท่านก็มีร่างกายกับอัฐบริขารของอย่างอื่นก็ได้มาท่านก็ได้มาแล้วก็ส่งต่อไปท่านไม่ได้ไป หาความสุขจากสิ่งต่างๆที่ได้มาแม้แต่ร่างกายของท่านท่านก็ไม่ได้หาความสุขจากมันท่านก็อยู่ไปทำประโยชน์ให้กับพวกเราเท่า น, นั้นเองเพราะเห็นว่าไม่มีอะไรจะมีคุณค่ากับพวกเรามากยิ่งกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านรู้ท่านมีธรรมะท่านก็ต้องเอามาเผยแผ่เอามาแจกจ่ายกัน ก็อยู่ที่พวกเราว่าจะเห็นคุณค่าของธรรมะเหมือนกับที่ท่านเห็นหรือเปล่าท่นเองถ้าเราเห็นเราก็จะได้รับประโยชน์ถ้าเราไม่เห็นเราเห็นว่าเป็นนายพลนายพันเป็นอะไรยังจะดีกว่ามันก็ช่วยไม่ได้อ่านปะตอนนี้พูดไปเพื่อรอคาถามคำถามถามายัง ครต่อไปเป็นคำถามจากทางเ c e b o o k พระอาจารย์สุชาติกับวิชาโตนะครับคำถามแรกจากคุณกระหนกศรีนะครับทำจิตให้สักแต่ว่ารู้หมายความว่าต้องเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเห็นใตรักในทุกสิ่ง hmm. ก็จะรับรู้แบบเฉยเฉยได้จิตเป็นอุเบกขาปล่อยวางด้วยปัญญาที่เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม ใช่แต่ก่อนที่จะเห็นอย่างนี้ได้ต้องมีอุเบกขาก่อนคือจิตต้องมีสมาธิก่อนถ้าจิตไม่มีสมาธิดูยังไงมันก็เข้าอุเบกขาไม่ได้เพราะมันยังไม่รู้ว่าอุเบกขาอยู่ตรงไหนอย่างนขั้นต้นต้องปรับจิตให้อยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นอุเบกขาก่อนพอรู้แล้วว่าจุดอุเบกขาเป็นอย่างไรเวลาเกิดความอยากมันจะดึงจิตให้ออกจากจุดนั้นเราก็ดึงมันกลับมา โดยการใช้ใจรักพิจารณาถ้ายังไม่เห็นจุดของอุบเบกขามันไม่รู้จะดึงกลับมาไว้ตรงไหนถ้าจิตยังมีอค ต, ติสี่อยู่คือมีความรักความชังความกลัวความหลงอยู่มันก็จะวิ่งไปวิ่งมาถ้าไม่รักมันก็ชังเลยถ้าไม่ชังมันก็รักหรือหลงหรือกลัวมันจะวิ่งอยู่กับสี่จุดนี้มันจะไม่อยู่ที่อุบเบกขา พรมันไม่รู้ว่าอุเบกขาอยู่ตรงไหนเหมือนขับรถหาเกียร์ว่างไม่เจอรู้แต่เกียร์เดินหน้าถอยหลังมันก็จะถ้าไม่เดินหน้ามันก็ถอยหลังไม่ถอยหลังมันก็เดินหน้ามนไม่ไม่ไม่รู้ว่าเกียร์ว่างอยู่ตรงไหนมันก็จอดรถไม่ได้เฉยไม่ได้ดังนั้นถึงต้องทําสมถะก่อนต้องทําจิตให้สงบก่อนเพราเวลาจิตสงบนี้จิตจะเป็นอุเบกขาพอเป็นอุเบกขาแล้วทีนี้พอเกิดตัณหา ขึ้นมามันก็จะไม่สักแต่ว่ารู้ละมันจะดิ้นละมันจะเทมันจะกระวนกระวายอยากได้ละตอนนั้นก็ต้องดึงมันกลับมาที่อุเบกขาด้วยการใช้ใจรักษให้เห็นว่าสิ่งที่ไปอยากนั้นมันมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะเห็นแล้วมันก็จะกลับเข้ามาที่อุเบกขาได้ถึงบอกว่าการจะเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาได้นี้มันต้องมีสมาธิก่อนจิตต้องมีอุเบกขาก่อน เหมกับที่เล่าให้ฟังว่าคนที่ฟังธรรมของพระเจ้าเพียงครั้งเดียวก็บรรลุได้ที่พระเจ้าสอนบอกว่าเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินเขามีอุเบกขาแล้วพระเจ้ามองเห็นจิตก็แล้วเห็นว่าจิตเขามีสมถะแล้วก็บอกวิปัสสนาเท่านั้นเองบอกให้เขารักษาอุเบกขาไว้อย่าออกจากจุดนั้นเวลาจะออกจากอุเบกขาด้วยความอยากก็ดึงมันกลับมา ใช้ใช้ปัญญาใช้ใจรักเป็นตัวดันมันกลับมาพอาเห็นว่าเป็นทุกข์มันก็ไม่อยากได้แล้วเช่นอยากจะไปดื่มเครื่องดื่มนะั้นนั้นเขาเขียนว่านี่เป็นยาพิษดื่มแล้วตายอย่าเงี้ยคนยังอยากดื่มมือก็ป่ามือก็หดเลยใช่ไม <Okay. S 1> อมนั่นแหละแต่เราไม่เห็นเนี่ยมันไม่มีป้ายเขียนบอกว่าเป็นทุกข์กันมันเขียนแต่ว่าสุขทั้งนั้นเน่ยคือในใจเราอ่านป้าย ป้ายป้ายมันเขียนว่าทุกแต่เราก็อ่านว่าสุขป้ายมันบอกนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ความหลงมันปิดตาเราปิดใจเราเราดูทีไรมันก็เป็นนิจจังสุขขังอัตาไปเรื่อยมันก็เลยไปเจอความทุกข์อยู่เรื่อยดัง้นเราต้องพยายามสอนใจใหม่ลืมตาเปิดตาจะเปิดตาในให้เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรา เราไปสั่งไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะเหมือนกับได้ยาพิษมาเี้ยใครอยากจะได้ยาพิษมามันไม่เป็นประโยชน์มันเป็นโทษกับเร า, างั้นถ้าเรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นเหมือนยาพิษเราก็จะสักแต่ว่ารู้ได้สักแต่ว่าเห็นได้คำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณวิาลาลัยนะครับการสร้างสติ สร้างได้ด้วยการทำขึ้นคือจเจริญสติแต่ถ้าสติจะเกิดขึ้นเองมีไหมเกิดจากอะไรได้บ้างถ้ามันเกิดขึ้นเองได้ก็ดีเลยพวกเราจะได้ไว้ น, นั่งปฏิบัติกันได้เหน่อย <c oughs> <c oughs> มันมันเกิดขึ้นเองไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจการตั้งใจว่าเราจะดึงใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ปล่อยให้ใจเราไหลไปตามอารมณ์ต่าง การไหลไปตามอารมณ์ต่างๆนี่แสดงว่าเราไม่มีสติถ้ามีสติแล้วใจเราต้องอยู่กับที่อยู่กับที่ก็คืออยู่กับปัจจุบันการที่จะดึงใจให้อยู่ปัจจุบันก็ต้องมีอะไรเป็นที่เกาะถ้าเปรียบเหมือนกับถ้าเราลอยอยู่ในน้ำที่ไหลไหลหลากเชี่ยวน้ำแรงเนี่ยถ้าเราไม่อยากจะไหลไปตามกระแสน้าเราต้องทำยังไงเราต้องหาอะไรเกาะใช่ไหม หาเสาหาอะไรสักอย่างที่มันแข็งแรงที่เราเกาะได้มันจะได้ไม่ไหลไปตามกระแสะน้ําใจของเราก็มีกระแสะอารมณ์เนี่ยความคิดของเราเนี่ยมันไหลไปตั้งไหลไปแต่ละเรื่องจากเรื่องนี้ก็ไปเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็ไปเรื่องนู้นคิดอยู่ทั้งวันใจของเราเลยไม่เคยตั้งมัน่นไม่เคยนิ่งใจไม่มัน่นไม่นิ่งมันก็เลยวุ่นวายมันไม่สุขมันไม่สบาย ดังนั้นต้องต้องดึงใจไว้ให้นิ่งให้ได้วิธีจะดึงใจก็ต้องมีอะไรเกาะเนี่ยการมีอะไรกเกาะเกาเรียกว่าการมีสติพระอาจะแสดงจุดที่ใจจะใช้เกาะได้ถึงสี่สิบชนิดด้วยกันเรียกว่า ก, กรรมฐานสี่สิบเนี่ยที่เรารู้กันได้ยินกันทั่วไปก็คือเช่นพุทธานุสติก็ให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้า ถ้าอานาปนาสติก็ให้ให้ใหดูลมหายใจเข้าออกถ้าใช้ร่างกายก็กายกตาสติทีนี้เราก็ต้องดูสถานภาพเวลาว่าเราควรจะใช้อันไหนถ้าเราทํางานทําการเราดูร่างกายมันน่าจะง่ายกว่าดูลมหายใจแต่ถ้าเรานั่งเฉยๆนั่งหลับตาร่งกายไม่ได้ทําอะไรเราก็ดูลมหายใจถ้าเราดูลมหายใจยังไม่ได้มันยังคิดอยู่เราก็ใช้พุทโธ ใช้พุโทโธดึงใจไว้ถ้าดึงใจด้วยพุโทโธไม่ได้ก็ใช้สวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์แล้วยังไม่อยู่ก็เปิดฟังธรรมะไปก่อนก็ได้ใช้ธรรมะเป็นที่ผูกใจก็ได้ถ้าเราตั้งใจฟังธรรมไปใจไม่ไปคิดอะไรใจก็สงบได้แต่เพียงแต่ว่ามันสงบลึกไม่เท่ากันนั่นเองการฟังธรรมก็สงบในระดับหนึ่งการสวดมนต์ก็สงบไปตระดับหนึ่ง การพุโทโธก็สงบได้เต็มที่ดั้นมันมีมันมวีวิธีหลากหลายด้วยกันและแต่และ ว, วิธีก็อาจจะเหมาะกับสถานการณ์ที่ต่างกันไปผู้ปฏิบัติก็ควรที่จะวินิจฉัยเอาว่าตอนนี้เราควรจะใช้อะไรเดินจงกรมเราก็ใช้พุโทโธก็ได้หรือเราดูเท้าก็ได้ก็มีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ก็แล้วแต่ เวลานั่งเฉยๆนี่มันจะดูร่างกายมันล่าง ก, า ย, า, งกายมันไม่เคลื่อนไหวแล้วก็มีแต่ลมที่มันยังเคลื่อนไหวอยู่ก็ดูลมดูลมมันก็มีจุดสองจุดที่ดูได้คือที่ปลายจมูกตรงจุดที่ลมสัมผัสเข้าออกหรือตรงกลาง อ, อกเวลาลมเข้าก็จะรู้สึกว่ามันพองออกมาเวลาหายใจออกมาลมออกมามันก็ยุบเข้าไปเขาก็เลยใช้คําว่ายุบหนอพองหนอ เความจริงไม่ต้องไม่ต้องท่องยุบหนอพองหนอก็ได้แต่บางคนขี้ลืมขี้เผลอบางพอดูดักปั๊บเดียวก็ไปเรื่องนู้เรื่องนี้แล้วก็เลยต้องบอกยุบหนอพองหนอจะได้มีอะไรดึงใจเอาไว้เป้าหมายก็คือให้ใจนิ่งถ้าใจนิ่งใจจะอยู่ปัจจุบันเอใจจะไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติต้องบังคับถ้าไม่บังคับแล้วใจจะไหลไปตามกระแส อารมณ์เหมือนกับร่างกายที่จะไหลไปตามกระแสน้าต้องมีอะไรอยึดไว้ต้องมีอะไรเกาะมันถึงจะไม่ไหลไปถ้าใจไหลไปก็แสดงว่าไม่มีสติข้อต่อไปนะครับจากคุณปัดถมานะครับการนิมนต์พระมาะสวดทำบุญที่บ้านกับการที่เราสวดมนต์เองได้บุญเท่ากันไหมถ้าต่างกันเพราะอะไร การสวดมนต์จะได้บุญก็เราต้องสวดเองสิใครสวดใครก็ได้ที่ที่เขาทํากันนี่มืนเป็นการทําที่ไม่เข้าใจกันสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาเขานิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันนี่เขาไปนิมนต์เพื่อให้ได้ฟังเทศฟังธรรมเวลาเราก็จะได้ถวายพระกายอาหารให้กับพระพุทธเจ้าได้ทานแล้วก็ได้ปัญญาคือได้การฟังเทศฟังธรรม แต่สมัยปัจจุบันนี้พระไม่มีปัญญาพระเทศไม่เป็นพูดธรรมะไม่เป็นก็เลยเอาบทสวดมนต์มาสวดให้ญาติโยมฟังกันฟังแล้วยาติโยมก็ไม่เข้าใจเพราะสวดเป็นภาษาบาลีก็เลยไม่รู้ว่าได้อะไรก็เลยงงเนี่ยเลยเกิดปัญหานี้ขึ้นมาว่าระหว่างพระสวดเองกับเราสวดใครจะได้บุญมากกว่ากันเราต้องสวดเองสิเพราะการสวดเองมันเป็นการเจริญสติ เป็นการควบคุมใจไม่ให้คิดไปเลื่อยเปื่อยไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เกิดอารมณ์อะไรต่างๆขึ้นมาถ้าสวดไปแล้วไม่คิดอะไรได้ใจจะว่างจะเย็นจะสบายอันนั้นแหละเรียกว่าบุญบุญก็คือความสบายใจความสงบใจดังนั้นการสวดมนต์นี้ต้องเราสวดเองไม่ใช่ให้คนอื่นสวดให้เราก็มีคาพูดแล้วว่าเวลาสวดมนต์อย่าให้ท่าสวด เพาเวลาผ้าสวดก็คือเวลาเรานอนอยู่ในโรงนั่นแหละถึงต้องให้ผ้ามาสวดให้เราเวลาเข้าวัดก็ให้เดินเข้าวัดอย่าให้เขาหามเข้าวัดเ <c oughs> พราะหามเข้าวัดแล้วมันไม่ได้ประโยชน์แล้วเวลาสวดถ้าให้ผ้าสวดให้เรามันก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนกันแบบกุศลาธรรมะอกุศลาธรรมะอย่างหลวงตาท่านถึงสั่งให้สั่งไว้ก่อนตายถ้าเราตายแล้วใครอยามาสวดกุศลาให้เรา แล้วกุศาลาของเราอยู่ทุกวันแล้วเนี่ยกุศาลาก็คือเราสอนใจให้ปล่อยวางสอนใจให้สงบเนี่ยอันนี้แหละคือกุศาลาที่แท้จริงกุศาลานี้คนอื่นกุศาลาให้เราไม่ได้เราต้องกุศาลาเองกุศาลาแปลว่ากุศลกุศลแปลว่าความฉลาดความฉลาดก็คือวิปัสสนานี่เองให้เราเจริญตายลักอยู่เรื่อยๆอา น, นิจจังทุกขังอนัตตา แต่ก่อนจะเจริญตายรักได้เราก็ต้องมีสมถะก่อนมีความสงบมีอุเบกขาก่อนจะมีอุเบกขาได้ก็ต้องเจริญสติก่อนการเจริญสติก็คือการสวมดมนต์เห็นให้พระเจริญสติให้เราได้อย่างไรถ้าเราอยากจะได้สติเราก็ต้องเจริญเองเราต้องสวดเองได้คำตอบไหนะพระอาจารย์ครับมีผู้ปฏิบัติทมชุดขาวที่วัดครับแจ้งว่าวันนี้ ทำการอดอาหารเป็นวันที่สามครับแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีผู้ปฏิบัติด้านข้างเนี่ยมากินข้าวด้านข้างนะครับเลยต้องเข้าพุโทโธพุโทโธพุโทโธกว่าจะหายไปก็แทบแย่ครับพระอาจารย์ก็ให้จเจริญอาหารเลยปฏิกูลยสัญญาบ้างก็ได้อันนี้จะเด็ดขาดกว่าคือถ้าพุโทโธนี้มันก็จะเป็นเหมือนยาหม่องมันก็จะแก้ได้เป็นพักพักไป พ, พ, พอยาหม่องหมดฤทธิ์มันก็จะเจ็บขึ้นมาอีก แต่ถ้าใช้แบบอาหารเลยปฏิกูลสัญญามันจะหายเลยคือเททิงเจอใส่เข้าไปเลยมันแสบหน่อยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวแผลมันจะหายอาหารเลยปฏิกูลสัญญาก็คือให้นึกถึงภาพของอาหารที่ไม่น่ารับประทานนั่นเองนึกถึงเวลาอาหารมันอยู่ในปากเราเวลามันอยู่ในท้องเราเวลามันออกมาจากร่างกายเราอันนี้ก็เป็นอาหารทั้งนั้นอ่ะมันเป็นอะไรเนี่ย ให้นึกถึงอาหารเหล่านี้แล้วมันจะไม่หิวจะไม่อยากต่อให้อดอาหารมากี่วันพอเห็นอ้นนี้แล้วกินไม่ลงอย่าไปนึกถึงอาหารในจาน <c oughs> ถ้าคิดถึงอาหารในจานนี่โหน้ำลายมันไหลพ <c oughs> อคิดถึงอาหารที่ออกมาจากร่างกายนี่มันหายหิวเลยหายอยาก <c oughs> ต้องพยายามมันเป็นยาต้องกินมันเป็นยาขมมันเหมือนทิงเจอมันจะมันจะแสบ มันจะเจ็บแต่มันเทแล้วแผลหายเลยเราไม่เลื่อนลังะแต่ถ้าใช้พุโทโธนี่มันเลื่อนลังเดี๋ยวเวลาใครกินอีกก็ต้องพุโทโธต่อไปเวลาเห็นใครเกากินเอ่ะมันกินแห้นั่นเนี่ย่ะเราไม่กินด้วยเราไม่อยากกินเขาอยากจะกินให้นั่นก็ปล่อยเขากินไปผลจากการแสดงธรรมของพระอาจารย์วานั้นเรื่อง ธรรมะภายนอกกับธรรมะภายในครับพระอาจารย์ทำให้ช่วงนี้มีผู้ปฏิบัติกำลังสู้กับกิเลสความอยากมาฟังพระอาจารย์อยู่หลายท่านเหมือนกันครับสู้เอาธรรมะภายในดีกว่าธรรมะภายนอกเราได้กันมามากแล้วคือการได้ยินได้ฟังธรรมต่างๆนี้ยังเรียกว่าเป็นธรรมะภายนอกอยู่ถ้าเป็นยา ก, ก็คือไปรับยาจากหมอมาหลายคนแล้วยาเต็มบ้านเลยแต่ไม่ยอมกินยากนะัน ยามันเลยไม่เข้าไปในร่างกายมันก็เลยไม่สามารถรักษาโาครคภัยไข้เจ็บได้ธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมามันก็ยังเป็นธรรมะภายนอกอยู่มันยังไม่เข้าไปในใจแล้วมันยังไม่ไปดับความทุกข์ดับกิเลสตัณหาต่างๆเราจึงต้องปฏิบัติเราจึงต้องเนี่ยถ้ามานุ่งขาวห่มขาวก็ต้องมาถือศีลแปดการถือศีลแก็ถือว่าเราเิ่มกินยาล การควบคุมใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไม่ให้คิดถึงเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆก็เป็นการกินยาละยาคือสติยาคือศีลศีลแปดสังวรอินทรีย์สังวรซ้ำรวมตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อกะเพื่อปราบการมันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดปทพะแล้วก็ควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงรืเสียงกลิ่นลดปทภะ ถ้าจะคิดก็ให้คิดในส่วนที่มันไม่น่าดูไม่น่าปรารถนาเช่นถ้าคิดถึงแฟนก็ให้คิดถึงส่วนที่ไม่สวยงามของเขาอย่าไปคิดแต่ส่วนที่สวยงามของเขาเช่นชอบดูหน้าไม่ชอบดูกน้นอย่างเงี้ยดูกน้นเขานก็ไนะเวลาคิดถึงแฟนนี่ <c oughs> มันจะได้ไม่เกิดอารมณ์เกิดความอยากขึ้นมาอันนี้เรียกว่าวิธีกิญญนยานาธรรมะภายนอกให้เข้าสู่ธรรมะภายใน ถ้าเรามัวแต่อยากจะมาฟังทำมันก็ได้แต่ธรรมะภายนอกแต่มันไม่สามารถที่จะไปทําลายกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราได้เมื่อเราได้รับธรรมะภายนอกแล้วเราก็ต้องปลีกวิเวไปสํารวมอินทรีย์สํารวมตาหูจมูกนิ้นกายด้วยการรักษาสีแปดแล้วก็ด้วยการอดอาหารบ้างเพื่อจะได้เสริมความภาคเพียรถ้าเราไม่อดนี่มันจะขี้เกียจ เวลากินอิ่มแล้วมันจะง่วงมันอยากจะนอนแต่ถ้าเวลาอด อ, อาหารนี้มันจะไม่ง่วงแล้วมันก็จะบังคับให้เราต้องปฏิบัติเพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติมันจะทุกข์ทรมานใจแต่พอเราปฏิบัติความทุกข์ทรมานใจก็จะถูกระงับไปเพราะเรามีสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงอาหารพอไม่คิดถึงอาหารความหิวทางใจก็จะหายไป ความหิวทางใจนี่รุนแรงกว่าความหิวทางร่างกายพอไม่มีความหิวทางจางใจแล้วจะอดไปกี่วันก็ไม่เดือดร้อนแล้วเราก็ได้รับประโยชน์ทําให้เรานั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบได้ปกติถ้ากินอิ่มแล้วพอนั่งมันก็ง่วงนอนนั่งแล้วก็สับประโคมนั่งแล้วก็จะไม่ได้ผลเนีย่ยเวลาบําเพ็ญแล้วจึงจําเป็นจะต้องมีมาตรการเสริมในการเสริมความเพียรคะ บางท่านก็ต้องไปอยู่ที่มันน่ากลัวถ้ามันน่ากลัวนี้มันก็นอนไม่หลับมันจะนั่งนั่งนอนนอนไม่ได้มันจะมีความระมัดระวังสติสตังมันจะดีมันจะต้องคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปถึงเรื่องผีเรื่องสัตว์เรื่องอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นมาตรการแบบหนึ่งแล้วแต่เราจะถนัดแบบไหนเราก็เลือกใช้แบบนั้นแล้วแต่ปัญหาของเราว่ามันอยู่ตรงไหน ถ้ามีความกลัวก็ต้องไปหาที่น่ากลัวเพื่อจะได้ดับความกลัวได้ถ้ามีความชอบรับประทานอาหารมีความเกียจข้นในการภาวนาก็ต้องอดอาหารอดแล้วมันก็จะทําให้เราบังคับให้เราต้องภาวนาเพื่อทําใจให้สงบ <c oughs> การฟังธรรมก็ดีถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีขั้นตอนของการปฏิบัติแต่ถ้าเรารู้แล้วเราก็ควรที่จะไปปฏิบัติก่อน เมื่อปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่ามีความสงสัยมีความไม่เข้าใจไม่มั่นใจว่าการปฏิบัติของเราถูกหรือไม่เราค่อยมาฟังทำใหม่ฟังเป็นระยะระยะสลับกันไปมันต้องไปด้วยกันปริยัติกับปฏิบัติที่แท้จริงนี้ต้องไปด้วยกันฟังแล้วก็ไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็กลับมาฟังใหม่มาเสริมความรู้ใหม่เพราะว่าฟังแต่แต่ละครั้งเราอาจจะได้ทำเฉพาะระดับที่เราเข้าใจ ทำที่ระดับที่สูงกว่านั้นเราจะไม่เข้าใจพอเราปฏิบัติแล้วเราขั้ดับขึ้นขั้นสูงต่อไปเราก็จะต้องกลับมาฟังใหม่พอพอมาถึงขั้นนี้เราไม่เข้าใจแล้วว่าจะต้องจะต้องทอย่างไรก็ต้องมีการฟังสลับกับการปฏิบัติไปควบคู่กันไปไม่ใช่ฟังไปจบพระไตรปิฎกแล้วค่อยออกปฏิบัติพอจบแล้วก็ลืมไปหมด ขอวันี้มันจำแล้วมันฟังแล้วมันก็ลืมได้ดังนั้นฟังแล้วต้องรีบเอาไปปฏิบัติเท่าที่เราจำได้ก่อนแล้วค่อยกลับมาฟังใหม่อยวฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวก็เหมือนแต่มีการดูแผนที่แต่ไม่มีการออกเดินทางเสีีต้องต้องดูแผนที่แล้วก็เริ่มออกเดินทางพอไปถึงจุดที่ไม่ไม่มั่นใจก็ไปกลับกลับไปดูแผนที่ใหม่มาถึงจุดนี้ ท้องทำอย่างไรต่อต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วตรงไปนี่คือการหลักของปริยัติปฏิบัติกับปฏิเวชนี้เขาไปพร้อมๆกันเขาไม่ได้แยกกันแบบสมัยนี้สมัยนี้บวชแล้วก็ไปเรียนปริยัติสิบสองปีไปได้ปริยันต์เก้าพอดได้ปริยันต์เก้าแล้วก็ไม่ได้ออกปฏิบัติเพราะถูกจับไปให้เป็นครูเสียแล้วให้ไปเป็นครูสอนปริยัตต่อหลวงตาท่านถึงต้องหนียังไง ท่างไปเรียนปริยัตได้ไปริยัติขั้นที่สามท่านก็บอกต้องออกปฏิบัติแล้วแต่อาจารย์ของท่านก็พยายามดึงให้ท่านอยู่ให้เรียนต่อเพราะอาจารย์ทางปริยัติเขาก็อยากจะให้มีครูมาทำหน้าที่แทนท่านต่อไปแต่ท่านรู้ว่าเรียนไปมันก็เท่านั้นมันไม่ได้พาให้จิตมันดีขึ้นแต่อย่างใดกิเลสตันหาไม่ได้เบาบางหรืหดหายไปทนก็เลยต้องมุ่งออาไปปฏิบัติ บุญของท่านได้พบกับหลวงปู่มั่นแล้วเกิดศรัทธาพอเรียนจบป ร, ริญญาสารประโยคท่านก็มุ่งไปหาหลวงปู่มั่นติดตามแล้วก็ได้ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นอยู่แปดเก้าพรรษานีปฏิบัติตอนปฏิบัตินั้นก็เรียนปริยตัตไปด้วยก็คือฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นเป็นระยะระยะทุกสี่ห้าวันเลือกทิศหนึ่งท่านก็จะเรียกประชุมอบรมพระสี่ครั้งหนึ่งให้ให้ปัญญาความรู้ให้กำลังใจ ให้อุบายวิธีการปฏิบัติต่างๆการปฏิบัติจึงคืบหน้าไปเรื่อยๆแต่ระยะแรกที่ท่านเรียนหนังสืออยู่หกพรรษาไม่ไปไหนเลยแป้ว่าระยะหกพรรษาที่ท่านปฏิบัติท่านว่าจิตใครรวมลงสามครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวชนี้เป็นเหมือนลูกโซ่ไปด้วยกันไม่ได้แยกกันเหมือนสมัยนี้ สมัยนี้ก็บวดแล้วก็ให้ไปเรียนนักธรรมตีต่อด้วยนักธรรมโทต่อด้วยนักธรรมเอกแล้วก็ให้ไปเรียนบาลีประมาหนึ่งถึงประมาณเก้าพอถึงประมาณเก้าแล้วก็เลยเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาคิดว่ารู้แล้วมันก็เลยเป็นอาจารย์ต่อไม่ออกปฏิบัติก็เลยกลายเป็นโปรธิราชใบลานปล่าไปเนี่ยมีประมาณเก้าเต็มไปหมดแล้วเวลาตายไปมีกระดูกของประมาณเก้ากลายเป็นพระธาตุลงไป แต่หลวงปู่หลองตาที่ไม่ได้เรียนบาลีไม่ได้เรียนนักธรรมนี้ทําไมกระดูกของท่านกลายเป็นพระธาตุได้ก็เพราะว่าท่านเรียนจากครูบาอาจารย์จากปากต่อปาก mm hmm. เรียนแล้วก็เอาไปปฏิบัติเลย mm hmm. ไม่ได้เรียนเพื่อจดจําและเพื่อไปสอบ mm hmm. เพื่อจะได้รับบัตรใบประกาศนียบัตรว่าได้ผ่านขั้นนี้แล้วผ่านขั้นนั้นแล้วอันนั้นไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องของของการบรรลุธรรมแต่อย่างใด mm hmm. mm hmm. นั้นก็ขอให้เรา ต้องมีทั้งปริยัติต้องมีทั้งปฏิบัติถึงจะเกิดปฏิเวทคือการบรรลุผลขึ้นมาได้พอฟังธรรมวันนี้แล้วก็ไปรีไปปฏิบัติซะอีกเจ็ดวันแล้วให้กลับมาฟังธรรมใหม่ไม่ใช่พอฟังอันนี้เสร็จแล้วก็กลับไปทํางานทําการทำาะไรแล้วแต่แล้วก็อีกเจ็ดวันก็มาฟังใหม่ฟังใหม่มันก็ฟังของเก่าหรือฟังของใหม่ก็ฟังก็ไม่ได้เอาไปปฏิบัติก็ไม่ได้ผลอะไรเนี่ยบางคนมาฟังเป็นกี่ปีแล้วเนี่ยแปดเก้าปีแล้วก็ ก็ยังไม่ไปไม่ถึงไหนก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่นะยังต้องรู้ว่าธรรมะภายนอกมีไว้ทําไมแล้วธรรมะภายในมีไว้ทําไมมีธรรมะภายนอกเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องรับมาก่อนเพื่อเราจะได้นํำมาเข้ามาให้มันแปลงให้มันกลายเป็นธรรมะภายในเพราะเป็นธรรมะภายในเท่านั้นถึงจะดับกิเลสได้ถึงจะดับความทุกข์ได้ความ ธรรมภายนอกนี้ดับไม่ได้อย่างวันนี้ฟังไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอกลับไปใครด่าหน่อยก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาละเกิดความโมโหขึ้นมาแล้เสีย อ, อกเสียใจขึ้นมาทาั้งทั้งที่สอนให้พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกของอังอนัตตาก็ลืมไปหมดไม่เข้าใจดังต้องปฏิบัติเนะนี่ยฟังแล้วเบาไปปฏิบัติแล้วปฏิเวทคือผลถึงจะเกิดขึ้นตามตามมาต่อไปมีอะไรไมีกไ ใม่มีแลครับใครมีอยากจะถามอะไรไหมอยากถามอยู่ว่าเอามว้จังอยากถามว่าหนูว่าซื้อน้ํำให้คนแก่นะใส่บารทุกทุกคนยังมีน้องคนนึงก็บอกบอกคนแก่อย่าเอานะเอาไปเรายายเขาเอาน้ําหมดคนเอาบุญหมดเพราะว่าเอาให้คนแก่ใส่น้ําอ่ะเด็พระมาเดินบาทเห็นเขาห่อไอ้น้ําใส่ถุงมัดมัดถุงใส่ให้พระไม่ซื้อน้ําถ้วยให้ทุกจุดทุกจุดเลยคนละก่องละกอง แล้วมีน้องคนนึงเข้ามาบอกคุณแก่าอย่าตัวนะแตแกนะยายทาบุญไปหน่แกได้บุดแล่วน umm ่ะบุญหน่อเราไม่ได้นะมันก็แกเอาน้ําแกใส่บาตรให้นก็ของใครก็เป็นบุญของคนนั้นไปไงถ้าเราเอาของไปให้เขาใส่บาบุญมันเป็นของเราเพราะเราเป็นคนเสียสละทรัพย์เราได้ทําทานเขาเพียงแต่ช่วยเราใส่บาตให้เราเท่านั้นทําให้สําเร็จประโยชน์เขาก็ได้ตรงส่วนนั้นส่วนตรงที่ได้รับใช้ผู้อื่น บุญที่เกิดจากการได้รับใช้ผู้อื่นแต่ไม่ใช่เป็นทานเอะทานต้องเป็นทรัพย์ของเราเป็นของของเราแต่เขาเอาไปใส่เขาก็ได้บุญตรงส่วนนั้นคือเนื่องจากเราอาจจะทําเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นทําแทนเราอย่างนี้แตนุก็ทำอยู่เดนเขานำน้ำกอกใส่ถุงพฏิสติกรับรับรับใจก็เหมือนกันก็ได้ คือ <c ười> แต่ละคนก็ต้องทําไปตามฐานะตามกําลังของเขาเห็นแล้วแล้ววายายเดี๋ยวซื้อมาให้นะบอกแต่ก่อนแจ็กก็ใส่ใจ่ใส่ใก็บอกบอกอีกแล้วหนูจะซื้อไม่ยายนะแล้วหนูจะไม่ได้ยายจะไม่ได้บุญหนูเอาหมดเลยบุญที่เอามาถ้าหนูบอกหนูให้เขาโดยที่ไม่ไปบอกให้เขาไปใส่บาตรนี้แล้วเขาไปใส่บาตรเองเขาก็จะได้ บ, บุญคือเราให้น้ําเขาเราเราได้บุญจากการให้ให้ยาย แล้วแล้วแต่ยา ย, ยาจะไปดื่มเองก็ได้ยาจะาไปทาบุญก็ได้พูดอย่างนี้ต่อไปเนี่<อ>ย้า ย, ยาจะไปทำอะไรไให้ไปแล้วเอาไปดมอถ้ายายเอาไปทาบุญยายก็จะได้บุญถ<อ>้าเรเอ า, เอาปัใจจัยให้แม่แล้วแม่ก็ไปซื้อของทำบุญก็เป็นบุญของเราไงเพราะเป็นเงินของเราแต่เก็มีทําตั้งใจที่จะไปซื้อของว่าทำอาหารอะใช่ ถ้าถ้าไม่ใช่เป็นเงินของเขาเขาจะไม่ได้บุญส่วนนี้ไงเขาจะได้บุญตรงที่ได้ได้ทําขับข้าวได้ซื้อของให้เราได้มีส่วนร่วมคือได้ได้รับใช้เราได้ช่วยเหลือเราให้การทําบุญนี้สําเร็จประโยชน์ขึ้นมาเขาจะได้ตรงส่วนนั้นแต่เขาจะไม่ได้จากการเสียสละทรัพย์ของเขาถ้าก็อยากจะได้ตรงนี้เขาต้องเอาทรัพย์ของเขาไปซื้อของเองถึงจะได้ คือให้ทําให้เสียสละเพราะเราต่อไปในอนาคตเนี้ยเราจะต้องสูญเสียเงินทองเราต้องจากเงินทองไปถ้าเราซ้อมสูญเสียตั้งแต่ตอนนี้ด้วยความยินดีเวลาเราสูญเสียในบ้านปลายนี้เราจะไม่เสียใจเราจะมีความสุขเราจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยอมสูญเสียเลยเราเสียได้เราหวงเวลาตายเนี่ยเวลาต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปใจจะทรมานมาก ที่สอนให้แล้วพวกเราทำทานกันเพื่อให้เราเตรียมตัวไว้ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปถ้าเราสูญเสียแบบเต็มใจสูญเสียเราจะมีความสุขอย่างวันนี้เราเต็มใจสูญเสียงินทองไปเนี่ยเราไม่มีความรู้สึกเสีย อ, อกเสียใจหรือทุกเลยเพราะว่าเรามีความเต็มใจมีความยินดีที่จะเสีย ท่านต้องการให้เราฝึกความรู้สึกการดีไว้อยู่ในในใจเราตลอดว่าวันข้างหน้าเราจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปขอให้เรามาซ้อมเสียเส้ตั้งแต่วันนี้ให้เราซ้อมไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาเราเสียเราจะได้รู้สึกไม่สะเทือนใจเราเลยแทนที่จะทุกข์ใจเรากลับมีความสุขใจว่าเออดีหมดภารไปไดที ต้องแบกมันต้องคอยดูแลมันมาต้องงานดูเราเองก็ไม่ได้กินไม่ได้ใช้มันเลยแต่ก็ต้องมาดูแลมันพอมันต้องจากเราไปเราก็เลยสบายใจถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะได้เบรศีหมดเงินแล้วไม่มีเงินแล้วไม่มีอะไรแล้วก็ต้องไปบวชนเนี่ยเป็นเป็นการเปิดช่องให้เราได้ไปสู่บุญขั้นสูงต่อไปก็คือได้ไปบวชนั่นเอง อยางพระพุทธเจ้าท่านเคยบําเพ็ญทานในสมัยที่เป็นพระเวชสันดรมามันก็ติดนิสัยมาพอมาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพอถึงเวลาจะสะละราชสมบัตินี่ท่านไปได้อย่างง่ายดายไม่มีความรู้สึกเสียอกเสียใจเสียดงเสียดายเลยแม้แต่เสื้อผ้าที่สวมใส่เวลาที่ออกไปออกไปบวช น, นี้ไปเจอขอทานขอทานเห็นเสื้อผ้าสวยก็ขอเปลี่ยนท่านก็เปลี่ยนให้ขอทานเอาเสื้อของขอทานมาให้พระเจ้า แระเจะาก็เาเสื้อผ้าของพระราชาโอรสให้เขาไปนั่นแหละเพราะว่าท่านเคยเสียสละมาจนติดเป็นนิสัยถ้าไม่มีความรู้สึกหวงตณีเลยแล้วเวลาสูญเสียอะไรไปแทนที่จะทุกข์กับไม่ทุกข์กับมีความสุขที่เห็นคนอื่นก็มีความสุขจากการสูญเสียของเราอันนี้แหละคือเจตนาของการทําทานอยู่ตรงนี้บุญอยู่ตรงนี้ มันไม่ได้เป็นบุญที่เราคิดว่าเป็นความร่ํารวยเป็นอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะถึงแม้จะเป็นผลส่วนหนึ่งก็ตามแต่ความร่ำรวยนะั้นมันก็ยังเป็นเป็นทุกข์อยู่ดีนะเพราะได้ทรัพย์มาแล้วมันก็ต้องสูญเสียทรัพย์ไปต่อไปอยู่ดีเราวทราพย์ก็ซื้อความสุขได้ในระดับโลกีะ้ะเท่านั้นเองในระดับทางร่างกายแต่ไม่ซื้อทรัพไม่สามารถซื้อความสุขทางระดับจิตใจได้ ดังนั้นการมีทรัพย์นี้ไม่ในสายตาของนักป่านี่เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณนักป่าจึงไม่มีทรัพย์กันเอาแล้วนะถ้าไม่มีอะไรก็ขอยุติเพียงเท่านี้ขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเจริญไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิร์น ยี่แจ้งมาว่าวันนั้นผลธรรมะบนเสาจะวันที่25ครับ